อยากได้จะเอาได้รับรู้อารมณ์ไม่ถูกใจก็ขัดใจชังอยากทำลายประพฤติตัวและกระทำการต่างๆไปตามอำนาจของความชอบใจขัดใจหรือความชอบความชังเท่านั้นรวมความก็คือที่ทำชั่วก็เพราะเป็นไปตามกระบวนธรรมะของอวิชชาตัญหาหรือเรียกให้เต็มว่า อวิชตาตันหาอุปาทานเป็นนั้นว่าอาวิชตาตันหานั่นเองเป็นเหตุของการทําความชั่วความอยากทําชั่วจึงต้องมาจากอาวิชตาตันหาตามหลักความเป็นเงื่อนไขที่กล่าวแล้วส่วนชันท่าเกิดสืบเนื่องจากความรู้ความเข้าใจความชื่นชมความดีงามสมบูรณ์ตามสภาวะหรือความสํานึกในเหตุผล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 ตัณหาอยากได้ทั้งนั้นและเพราะตัณหาอยากดีบ่อยๆนี่แหละจึงทําให้เกิดความสับสนปนเปนกับชันทาเป็นปัญหาในการทําความเข้าใจและแยกออกจากกันสําหรับการอยากทําลายอัตตาหรืออยากให้อัตตาดับสูญซึ่งเป็นวิภาวะตัณหาก็ดูคล้ายเป็นอยากดีได้เหมือนกันเช่นอยากเป็นพระอรหรันต์